วันอาทิตย์ที่8กันยายนพศ2539เป็นการบรรยายพระ ส, สูตรในสังยุตตนิกายเกื้อปฏิจจสมุมบาทตัวอาจารย์ชุดเทศโพธิสัตธาโชนที่เขาหลพระ ส, สูตรวันนี้เป็นสูตรที่ 5.9 และ 5.10 พระ ส, สูตรสองสูตรนี้มีความเกือบจะเหมือนกัน แทบทั้งหมดมีส่วนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสูตรแรกชื่อว่าปฐมอริยสาวกสูตรอ่าซึ่งก็แปลว่าเรื่องพระอริยสาวกสูตรที่หนึ่งอ่าว่าด้วยเรื่องผู้อย่างรู้ว่าเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีอ่าเป็นธรรมเทศนาที่พุทธเจ้า ทรงแสดงถึงคุณสมบัติในทางปัญญาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทของพระสาวกคำว่าพระสาวกในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันเป็นสำคัญนะแสดงถึงพระโสดาบันไม่ได้หมายเลยไปถึงพระอระหันต์และเนื้อความของสูตรที่เรียวกว่าผสมอริยาสาวกสูตรกับทุติยอริยาสาวกสูตร ซึ่งปแปลว่าสูตรที่สองนั้นความต่างกันที่พระพุตธเจ้าได้ทรงตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทที่ภาษาวกรู้ว่ า, าสูตรหนึ่งเป็นการตรัสถึงความบรรลุ ป, ปฏิจจสมุปบาทที่กำหนดองค์ตั้งแต่วิญญาณนามรูปและ เลื่อยไปจนกระทั่งถึงชารามรณะนี่เป็นสูตรที่หนึ่งโดยพระอริยสาวกนั้นกำหนดนามรูปเป็นประธานเป็นที่ตั้งสำหรับสูตรสองท่านแสดงถึงการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกที่กำหนดปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาสังขาร แล้วก็เลืล่อยไปจนกระทั่งถึงชลามระะตรงนี้มีข้อสังเกตบางอย่างที่น่าสนใจว่าคนที่จเจริญวิปัสนากรรมฐานด้วยใช้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์หรือกำหนดวิปัสนาด้วยวิธีการทางปฏิจจสมุปบาทนั้นจะต้องกำหนดองค์เต็มหรือไม่ หรือกำหนดองค์ไม่เต็มก็ได้ก็พูดเะว่ากำหนดไม่เต็มก็ได้กำหนดตรงเวทนาลงมาก็ได้กำหนดย้อนขึ้นไปก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องทําเต็มและในกรณีที่กำหนดองค์เต็มจะมีจุดบรรลุจุดบรรลุที่องค์ใดองค์หนึ่งอย่างเช่นพระสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขปฏิบัติองค์เรียกได้ว่าเต็มะนะฮะแต่จุดกําหนดจุดกําหนดจุดบรรลุมากําหนดสะดุดที่นามรูปจับนามจับรูปได้แยกรูปแยกนามโดยความเป็นยานที่หนึ่งเนี่ยนะแต่นามรูปตรงนี้ไม่ได้มีความหมายอย่างยานที่หนึ่งก็สาวไปหาเหตุคือวิญญาณจากนั้นก็ดําเนินความ จากนามรูปเรื่อยมาจนกทั่งถึงจารามรณะอีกกรณีหนึ่งในสูตรสองอกำหนดบรรลุหรือกำหนดถูกจุดได้อารมณ์ได้จุดแั่ความพอเหมาะพอดีที่สังขารแล้วก็จึงกำหนดไปหาเหตุเกิดวิชาและหลังยะนั้นก็กำหนดกลับข้อนี้นะถ้าหากว่าใครเคยฟังเรื่องกายคตาสติก็คล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือว่า กายคตาสตินั้นมีอาการสามสิบสองแต่ว่าเวลาคนกําหนดเนี่ยก็จะกําหนดอกําหนดห้าก็ได้ห้าหมดแรกก็ได้ห้าหมดสองก็ได้ห้าหมดสามก็ได้นะฮะหรือกําหนดทั้งหมดก็ได้หรือกาหนดห้าแค่ห้ากำหนดห้าเพื่อทั้งหมดแล้วก็กําหนดย้อนไปย้อนมาเวลากําหนดย้อนไปย้อนมาไอ้จุดพอหมาพอดีของการแทงตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ มีจุดแทงตลอดที่เป็นจุดกระทบใหญ่หรือจุดบรรลุหรือจุดประทานของการบรรลุทุกๆุกอาการนะครับบางคนกําหนดไปกําหนดมากําหนดไปไอจุดพอดีมันไปวาดที่เล็บเล็บนั้นก็กลายเป็นประธานขึ้นมาทันทีแต่ต่างกัน ท, ที่ว่าสมถะเนี่ยเมื่อกําหนดแล้วก็เอาเล็บเนี่ยไปขยายไปเพิ่มสมาธิ ทิ้งอย่างอื่นเลยแต่ปฏิจจาทิ้งไม่ได้ปฏิจจานี่เป็นเหตุเป็นใจกันมาอย่างไรแล้วกําำหนดไปตามเรียนเวลากำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยฮะความแทงลึกค่อยๆจับจับจับแล้วก็เวลาจะบรรลุเนี่ยจะมีจุดใหญ่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกำหนดได้ก็จับตรงนั้นเป็นจุดใหญ่ในฐานะเป็นทุกข์หรือในฐานะเป็นนามรูปบริเชษ แล้วก็กําหนดไปหาปัจจะปริกาก็ย้อนขึ้นไปหาองค์ต้นองค์ต้นอย่างตนี้ก็มีอวิชฐานมีอวิชชาเป็นองค์ต้นเป็นเหตุแล้วหลังจากนั้นก็กําหนดสืบกลับมาด้านหล่างด้านล่างก็คือแต่และองค์หลังๆเนี้ก็เลยกลายเป็นทุกข์ที่เห็นได้แล้วก็มีองค์ก่อนเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นปัจจะบริหายานที่ เกิดความสมดุลกันก็คือว่าสรุปแล้วก็คือเรื่องปฏิจจารเนี่ยกําหนดแจ้งชัดในองค์ใดแล้วองค์อื่นจะถูกกําหนดจะต้องกําหนดให้เห็นแจ้งตามไปด้วยจะทิ้งเอาองเดียวไม่ได้ไม่ใช่สมถะสมถะทําหลายอย่างเพื่อเอาอย่างเดียวส่วนวิปัสนาเนี่ย ทำหลายอย่างเพื่อรู้ทุกอย่างแล้วก็เวลาที่ทำหลายอย่างทีแรกไอ้จุดที่เป็นกระปอกของความรู้เบื้องตน้นอาจจะมีตัวเดียวแต่ไอ้จุดนั้นจะต้องระบายขยายไปถึงตัวอื่นในภายหลังนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะอธิบายก่อนนะฮะก็เรียนให้ทราบในส่วนหลักตรงนี้ ที น, นี้เรามาดูเนื้อความในสูตรโดยลําดับต่อไปก็สูตรนี้ก็เกิดที่พระเชตวันและผู้มีภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายและเรื่องที่ตรัสนั้นเป็นเรื่องของพระอริยส า, าวกและความอย่างรู้การละของพระอริยส า, าวกที่รู้และละกิเลสด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยวิปัสสนาภูมิที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท จึงได้ตรัสว่าดูก่อนวิสูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับมิได้มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดแอ่านต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสลายยตนะจึงมี เมื่ออะไรมีอัฏฐะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตนะจึงมีเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมีชรามรณะจึงมีก็ฟังดูมากข่าวก็เลยไรแกลกลายเป็นเรื่องกับปั้นทุกดินไปนะฮะซึ่งอย่างที่ผมเคลื่อนไว้ในชั่วโมงแรกอผมจะให้สังเกตกําหนดว่าอเนรสาวกเนี่ยมุ่งเอาปัโซดาน เป็นหลักและคําว่าผู้มิได้สดับตรงกันข้ามกับผู้ได้สดับทีนี้ข้อความตรงนี้เนี่ยเมื่อมารับประคำว่าเมื่อเป็นผู้ได้สดับไม่ได้มีความสงสัยสงสัยก็เป็นเรื่องความสงสัยที่อ่านแล้วก็ชวนสงสัยว่าอะไรเกิดได้ก็เลยมันเป็นคําพูดในเชิงความสงสัยอยู่วันยังข้ามมันนะฟังแล้วก็ยิ่งชวนสงสัยหนักเข้าไปอีกั้งรื่อเราอตรงนี้ ท่านจะต้องกำหนดว่าเราเองเนี่ยยังมีความสงสัยอยู่ใช่ไหมฮะสงสัยในระดับที่พระโสดาบัน ล, ละได้ในนี้เมื่อถามว่าเราเองมิได้เป็นผู้มีได้สดับหรือเราเองก็เป็นผู้ได้สดับแล้วทำไมถึงไม่สิ้นสงสัยในระดับพระโสดาบก็แสดงว่า การสดับกลับฟังเฉยๆ เ, เนี่ยไม่ทําให้เกิดการละวิธีกิจาได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ล้วก็บอกว่าใช่และถ้าอย่างนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัส ด, ด้วยคําว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟังเท่าไรเท่าไรก็ตรับว่าผู้ไม่ได้สดับส่วนพระอริยสาวกเนี่ยแม้ฟังนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้สดับต่อให้ปุถุชนเป็นผู้สอนก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้สดับทําความหมายในที่นี้ ไม่ใช่ความหมายในที่อื่นเพราะอะไรตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นข้อความที่พระพิโดกมีมากผมเคยสงสัยแต่ไม่มีโอกาสถามใครอาจจะเคยถามบ้างแต่ไม่เคยได้คาตอบเมื่อสมัยก่อนมาจับได้ทีหลังมอท่านตรัสถึงกระบวนการของการบรรลุโดยเอาจุดใดจุดหนึ่งมาพูดไม่พูดทั้งหมด คำว่าได้สดับเนี่ยหมายถึงเป็นคำแทนคำหนึ่งคำเดียวของกระบวนการของการบรรลุกล่กาวคือว่าบุคคลผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเราได้เคยพูดเรื่องอธิปรมอาจารย์แบบคร่าวๆมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้สร้างในชาตินี้อันนี้ยกไว้มันติดมาจากอุเบชาติอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราจะต้องสร้างด้วยความหมั่นในชาตินี้ไม่ใช่กรรมสําเร็จแล้วคือการที่เราเป็นผู้ เข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตคบบัณฑิตเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเงี่ยโสสะดับเมื่อสะดับแล้วก็โยนิโสมนติการตามธรรมที่บัณฑิตแสดงแล้วเมื่อโยนิโสมนิการตามธรรมที่บัณฑิตแสดงแล้วก็น้อมนําเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมคาว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยตรงนี้มีจุดขยายเยอะแต่ไม่พูดถึงว่า กินความลึกไปจนกระทั่งถึงบรรลุมรคนเพะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะทรงตรัสคําว่าได้สดับอย่างในฐานะที่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมอย่างครบวงจรสําเร็จแล้วท่านก็เรียกในคํานี้ว่าผู้ได้สดับผู้ไม่ได้สดับถ้าลําพังอย่างเราเนี่ยเราสดับอย่าง ไม่ครบถ้วนกระบวนการใช่ไมมีความหมายในทางว่าผู้ได้สะดับขั้นสุดตามยะปหะูสัจจาในด้านอื่นแต่ไม่ได้ทรงตรัสในที่อื่นอย่างในฐานะที่เป็นกระบวนการเลยจาไว้ว่าคำว่าได้สะดับมีสองอย่างตรัสสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นบุญกิริย า, รร ม, า, ามัตสวรรค์ใหม่อันหนึ่งขั้นเหตุอีกอันหนึ่ง ผู้ที่ผ่านกระบวนการครบแล้วชื่อว่าะระดับเพราะอะไรเพราะว่าคนจะบรรลุทำได้เนี่ยโดยการมิได้สดับไม่มีจะต้องผ่านการสดับสดับจากประพุตญาณใ น, นสูตรอื่นบางทีท่านก็ตัดได้คำอื่นได้คำอื่นคือบางทีก็สองคำเลยว่าปุถุชนผู้มิได้สดับอริยสาวกผู้ได้ระดับรมของสัตว์ุรุษ ปฏิบัติตามธรรมของสัตว์บรุษยเมื่อทีสัตว์อย่างนี้ก็มีบางสูตรหลายๆสูตรตัดคำเดียวโดโดๆอันนี้ฝากให้ให้จำไว้เผื่อว่าใครจะเคยสงสัยหรือมีใครก็สง ส, ยสัยถามได้อนุกรอกก็ได้เพราะเหตุนั้นคนที่ผ่านกระบวนการของการบรรลุธรรมตั้งแต่อาธิพรรมจรรยร์ไปจนกิด ระดับนี้ถือเป็นอธิปรมาจารย์อันหนึ่งนะจึงจะสร้างสูตรการปฏิบัติบรรลุ ป, ปรมาจารย์ในขั้นอบรภะพเป็นพระโสดาบันแล้วกิเลสที่พระโสดาบันละได้อย่างหลักๆที่เรารู้มีสามสังโยชน์สามแต่ในสูตรนี้พูดหนึ่งนี่เห็นนะว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสเน้นโดนไหนอย่างไรเนี่ยบางทีไม่ใช่จะต้องตรัสเต็มรูปครบถ้วนทั้งในทางรู้ทางละในทางเหตุ ทางเกตก็อาสดับโซเดียวทางละเนี่ยมีวิธีกิจฉาละตีลัพตาปรามานละแล้วก็อปัจกายาทิฏฐิละเป็นทิฏฐิทั้งสองเป็นวิธีฉานในที่นี้ทรงตรัสด้วยอํานาจของวิธีกิจฉาบางสูตรตรัสด้วยอำนาจทิฏฐิได้เช่นว่า ถ้ากล่าวเรื่องหน้าทิศก็กล่าวอย่างที่ได้เคยพูดถึงบางสูตรมานะฮะที่อ้างเพื่อให้ระลึกถึงว่าสังขารเป็นของใครจําได้ไหมสังขารเป็นของใครพระโสดาบันไม่คิดอย่างนี้ปุถุชนคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปลาโลสังขารเป็นของใครเนี่ยปลาลบเรื่องหน้าของทิศว่าเป็นตนเป็นของตน แต่ในที่นี้ทรงยกวิจิกิจฉาขึ้นเป็นประธานจึงกล่าวว่าละโสดาบันบรรลุแล้วละวิจิกิจฉาเมื่อละวิจิกิจฉาเนี่ยจึงไม่สงสัยในปฏิจจะถ้าละด้วยทิฏฐิก็ไม่เห็นผิดในปฏิจจะปกิเลสเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาทำงานตัวนั้นตัวนี้มันก็มีความรู้สึกในจิตไปตามอย่างนั้นอย่างนี้นทีนี้เรามาดู ดูให้ชั ด, ดว่าแล้วก็ชวนให้คิดให้ให้ธรรมะแตกไปอีกหน่อยเนี่ยว่าความสงสัยเนี่ยอ่านแล้วเรามีความสงสัยพระโสดาบันไม่สงสัยนี่เราพูดถึงว่าถ้าเราสงสัยเราเคยสงสัยหรือข้อความนี้หรือว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเคยสงสัยไหมที่ผมถามผู้โดชนนะ บอกไม่เคยเลยเราจเจ้ามาสัตว์ว่าเขาสงสัยกันอย่างไรเราก็ยังสงสัยว่ามันอะไรจะให้สงสัยอะไรมาหาว่าเราสงสัยอย่างนั้นได้ยังไทงทานองนี้นะอ่านแล้วรู้ไมมว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ตรงนี้นะ่ะก็อย่างที่ได้เกิดเมื่อกี้ว่าความสงสัยเราสงสัยในเรื่องอะไรเนี่ย เราเองถ้าเป็นคนไม่ได้สะดับไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้จักความสงสัยของเราแล้วก็ไม่รู้จักสิ่งที่เราสงสัยต้องสองอย่างเนี่ยได้แต่ว่ามันคือพูดง่ายมันเราไอพูดอย่างนี้ก็รุนแรงไปแต่พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ่เหมือนเดลฉานนะนะเกิดความรู้สึกแล้วก็มันก็เกิดไปตามธรรมดาของมันแต่ว่าเราเป็นคนได้สะดับเนี่ยเรามีกุศลมีปัญญาเข้ามาวิเคราะห์วิจาร พูดชักจูงให้ดูความสงสัยของเราได้เราก็วิเคราะห์ชักจูงทีงนี้เวลาพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเนี่ยเมื่อแสดงถึงกิเลสท่านก็เอามาพูดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นอย่างนี้แสดงถึงอารมณ์ของกิเลสท่านก็เอามาปลูกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้จักกิเลสของเราและสิ่งที่กิเลสเราไปปลาลกเป็นอารมณ์ก็คือไปสงสัย ถ้าเป็นวิถิกิจานั่นเองเลยเกิดภาระว่าเราจะละกิเลส ท, ทั้งทีเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ว่าต้องมาเรียนรู้กิเลสต้องมาเรียนรู้สิ่งที่กิเลสมันเกิดกับสิ่งนั้นๆว่าอย่างไรแยบยนต์ทั้งคู่ดังนั้นเมื่อเราไม่เข้าใจกิเลสไม่เข้าใจอารมณ์เกีกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าพยายามพูดถึง เราก็เลยไม่รู้ไนงะทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องของเรานั่นเองนะครับที่ว่าอ่ะทีนี้ก็พูดจะว่าที่ตรัสว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเมื่ออะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเนี่ยคำว่าเกิดเกิดที่พูดถึงนี่มีเกิดส่วนเหตุเกิดส่วนผลใช่ไหมมีสองส่วนส่วนเหตุกับส่วนผลส่วนที่เป็น เหตุเป็นผลนี่ยรวมแล้วมันคืออะไรนั่นเองคือชีวิตรวมแล้วคือชีวิตชีวิตลำกลุ่มเหตุกลุ่มผลถูกไม่ถูกนามรูปของเราก็เป็นก้อนเหตุก้อนผลนั่นเองพูดอย่างย่อที่สุดอย่างย่อใน ย, ย่อโดยหลายในถ้าย่อโดยในของอนัตตาตรัสว่ากลุ่มเหตุกลุ่มผลส่วนเหตุส่วนผลทําไมถึงว่าย่อโดยในของอนัตตาเพราะสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ย มันไม่เป็นตัวของตัวเองทำไมเรีวยกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเกิดจากเหตุจากปัจจัยในตัวเราเนี่ยเป็นกลุ่มเหตุกลุ่มปัจจัยในตัวมันเองอาศัยสิ่งภายนอกเป็นที่อาศัยบ้างตามสมควรแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลวกเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นผลอย่างเดียวไม่มีอะไรที่เป็นเหตุอย่างเดียวเลยในตัวเราเป็นกลุ่มเหตุกลุ่มปัจจัยและเพราะความที่มันถูกปรุงแต่ง กันเองนี่แหละครับจึงเป็นกระบวนการของความเป็นอนัตตาอ่ะทีนี้เราก็มามาพูดลงไปว่าเราเนี่ยเครือบแคลงตัวเราเองเครือบแคลงตัวเราเองในแง่ของเหตุปัจจัยเนี่ยมันเห็นชัดที่สุดเครือบแคลงในฐานะที่เป็นผลกับเหตุเนี่ยนะฮะ ผมถามมาทุกวันนี้เราเคลือบแแปลงหรือไม่เอาเป็นแค่เหตุผลใกล้ๆเนี่ยเราเครือบแแปลงเราอเห็นผิดยกไว้นะอที่เราเครือบแแปลงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้เราทําอย่างนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยนะอย่างที่เรามาตั้งปัญหาถามกันเรื่องจีวิตจิตใจต่างๆเนี่ยความทุกข์ความเดือดรอ้อนเครือบแแปลงแล้วบางคนก็เครือบแแปลงในขนาดว่าทาความดีมาเกือบตลอด แล้วทำไมถึงไม่ดีไอ้พูดบางทีก็ไม่ตรงหอกนะดีไม่จริงหรอกแต่เจ้าตัวนะคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็มนันนกน้อยใจโอดครนกระบุญแล้วก็เลยผ่านมาโอดโรวกับลากเจ้าด้วยเราก็ต้องไปรับหน้าแทนว<ม>่าทำความดีมาตลอดทำไมชะตาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเคลือบแคลนความหวั่นไหวในความดีปรากฏ อันนี้เรื่องง่ายๆเนี่ยแล้วก็เราทําอะไรดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจอยู่เสมอในค่าทางจริยธรรมธรรมดาเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดถึงชาตินี้ชาติหน้าในทางลึกเพราะว่าอารมณ์ของกิเลสเนี่ยมันมีตื่นมีลึกเหมือนอย่างที่พูดตันหาเมื่อกี้ไอ้ตันหาลึกขึ้นไปถามบอกว่าไปสะกิดถามสุนักที่บ้านบองแกแกมีวิธีฉาบไหมไม่รู้ถ้าพูดได้บอกมีนะมูลพูดได้บอกแกเคยสงสัยชาตินี้ชาติมาบอกไม่เคยเลย ไม่สนใจด้วยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมฮะคนส่วนมากวิสิกิจาระดับสูงบางทีจะไม่เคยมีมีแต่ในระดับธรรมดาโดยเฉพาะไอ้ที่ทาให้เกิดความสุขความทุกข์สิงที่ตัวอยากได้แล้วไม่ได้เพราะการกระทาอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าขยายลึกลงไปก็ได้แต่ว่าที่เราพูดเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆและอธิบายกันรู้พอเข้าใจกิเลสตัวนี้ได้เนะี่ยคือธรรมดาทั่วๆไปอย่างนี้ ทำคุณบูชาโทษอะไรแต่อะไรที่พูดกันนี่คือความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลามันตั้งตัวไม่ติดเนี่ยมันงงเลยจริ ง, งนนะะว่านี่เกิดอะไรขึ้นกับเราเราผิดหรือหรือใครผิดวุ่นไปหมดเลยเคยไม่เคยเคยนี่พอระดับลึกลงไปหน่อยเนี่ยเราไปทําความดีเกิดปรากฏการทําให้ได้รับความเดือดร้อนเราก็ช่นอย่างเราอาจจะสงสัยบ้างหรือว่า เรากําลังเดินจงกรมอยู่ไปเกิดไปเหยียบของร้อนเข่าเกิดหกล้มขึ้นมาไงนะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเกิดจากอะไรคือเรายังไม่มียานอย่างรู้เหตุปัจจัยเราก็สงสัยว่าเกิดจากอะไรบังเอิญหรือว่ามีเหตุปัจจัยอันนี้ผมพยายามยกตัวอย่างในกรณีทางลึกในอารมณ์ของคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่ง และกิเลสตัวนี้เหมือนอย่างไม่มีพิษสง์อะไรแต่มันกลับมีพิษสง์กับการบรรลุธรรมคงจะต้องพูดกันอีกทีเมื่อพูดถึงวิถีญาเจตสิกแบบลงลึกก็เป็นอันว่าเรื่องอะไรเกิดอะไรเกิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของชีวิตเกิดเป็นชีวิตหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตก็ตามเรายังมีความสงสัยที่ยังล้ไม่ขาดพระอริยะนั้นละได้เด็ดขาด เมื่อมีใครเขาด่าเราพระอริยาเนี่ยปรงใจเด็ดขาดไหมว่าด่าเท่าไรเท่าไหรกี่ปากกี่ปากด้วยเรื่องอะไรอะไรท่านเชื่อไหมว่าเป็นกรรมเชื่อสนิทไหมสนิทเราในสนิทไหมด่าเล็กน้อยก็ยังว่าเอากรรมเราถ้าบ่อยๆเข้าชักชักกมับ่นไหวแล้วหรือบางคนเออไปทําความดีทําไปทําไมทําไมความดีไม่ตอบกลับสักทีก็ชักจะรู้สึกเดือดร้อนนะ่ะนะ ไม่ค่อยจะแน่ใจเรื่องนี้ให้ก็ก็เป็นเรื่องมีจริงๆอ่ะไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเออเราจริงๆแล้วผมก็ได้รับโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยคงต้องคอยบอกอคนพวกนี้พอต้องใจเย็นเย็นต้องอย่ากําหนัดให้มากอย่าลําโมบให้มากใคล้ายๆโทรมาต่อว่าผมมาว่าเอ๊ อ, อย่างนี้แล้วทาไมถึงอย่างนีเพราะว่าบางทีใจร้อนนะฮะด้วยเรื่องต่างๆเนี่ยคือชักจะรู้สึกว่าเออถ้าคืนไม่เกิด ความเป็นไปได้เนี่ยจะเลิกเชื่อกันแล้วจะไม่ทําตามแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะจะกลับไปทําอย่างเก่าแล้วทานองว่าทำมะพึ่งไม่ได้สู้ปืนไม่ได้ปืนมีพึ่งได้แน่นอนกว่าไอ้ติก็ตัวอย่างอย่างนี้ก็เป็นระดับค่อนข้า ง, างยากหน่อยนะฮะไม่ถึงกลบระดับเราคงไม่บกกลับไปรุนแรงขนาดนั้ น, น, นเนี่ยครับคือเรื่องความหลังเล ของของผู้ดูชนเราเป็นอย่างนี้เมื่ออะไรมีอะไรมีเนี่ยท่านก็ขยายความนะนี่อธิบายเป็นเหตุผลคือการอธิบายกฎเหตุผลของชีวิตเนี่ยธรรมะแต่ละหน่วยที่อธิบายไปรูป เ, เหตุทูกผลต่างๆกันนะอริยสัจสีก็อันหนึ่งเอพพสัทธิธรรมก็อันหนึ่งในที่อื่นอีกอันหนึ่งแต่ถ้าปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอีกลกรณีหนึ่งฟังยากกว่าเรื่องอื่นๆ ฟังยากกว่าอริยสัจสีอริยสัจสีก็อธิบายทั้งทางลึกทางตื้นด้วยกันได้ปฏิจจานี่อธิบายลึกก็ยิ่งฟังยากหนักขึ้นอีกเพราะาองค์ประกอบเยอะแง่มุมมากถึงทุกวันนี้เราพูดเรื่องปฏิจจา ก, กันมานานพอสมควรเนี่ยผมก็ยังต้องบอกว่าเราก็ยังค่อยๆเข้าใจไปทีละหน่อยทีละส่วนด้านนั้นก่อนผมจะไม่อธิบาย องค์ปฏิจจะและความบำบัดขององค์ขอข้ามเลยไปจนถึงหัวข้อที่สองที่บอกว่าโดยที่แท้หัวข้อที่หนึ่ง น, นเป็นเศษว่าพระอริยสาวกไม่สงสัยมีหัวข้อสองกำลังประกาศว่าโดยที่แท้อริยสาวกพูดได้สดับคือผู้ได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วย่อมมียานอย่างรู้คําว่ายานอย่างรู้ตรงนี้หมายถึง ยานอะไรอย่างเราเนี่ยมียานอย่างรู้ไม่ใช่โดยนัยยะของความหมายในสูตรนี้เรามียานอย่างรู้รู้ในขั้นของการฟังไม่มีผลในทางถอนวิธีจ๋าอย่างเด็ดขาดมันก็พ อ, อควบคุมได้บ้างต่นนั้นเองอย่างห ย, ยาบๆบเนะ่ยานอย่างรู้ของท่านหมายถึงวิปัสนาและมักเรามักเป็นหลักนะ นั่นคือยานอย่างรู้มักก็คือโสดาปฏิพักดิรู้ปฏิจจสมุปบาทคือคาว่ารู้เนี่ยคนรู้ปฏิจจสมุปบาทในระดับอรยิยะน่มีสองแบบครับแบบหนึ่งคือรู้อย่างใช้เป็นรูปแบบในการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือรู้โดยในคือท่าน ผู้หลังนี้อาจจะกำหนดด้วยวิปัสนาภูมิเรื่องอื่นแต่เมื่อปฏิบัติถึงจุดบรรลุแล้วเมื่อมาฟังปฏิจจสมุปบาทเมื่อมาพิจารณาในเชิงปฏิจมสมุปบาทก็รู้เพราะว่าในของนามรูปในการปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติโดยในยะาไหนเมื่อมาฟังอีกในหนึ่งก็จะสงเคราะห์เป็นอันเดียวกันได้ไม่อื่นจากกันที่มีคำว่าไม่ต้องเชื่อผู้อื่น คือไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณมีนามรูปยุงมีเป็นต้นเนี่ยนะโลกย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้อตัวนี้ก็มีคําถามอี่แล้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่เชื่อคนอื่นนอกจากตัวเองหรือสอนให้เชื่อคนอื่นด้วยตัวเองด้วยหรือสอนให้เชื่อแต่คนอื่นอตรงนี้นะ่ะก็ถามได้นงี้ย บุคคลคงจะตอบได้แต่ความเป็นจริงในทางหลักก็คือว่าคำว่าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นสำหรับที่ทรงตรัสอยู่ในระดับของผู้บรรลุภาวนาขั้นพระโสดาบันนี่นะฮะท่านหมายความว่าการที่บุคคลเชื่อปฏิจจะอย่างเราฟังเรื่องกรรมเรื่องปฏิจจะแล้วเชื่อเนี่ยเราเชื่อตัวเองหรือเชื่อคนอื่นเชื่อคนอื่น แม้ว่าเราจะพยายามคิดทายว่าอะไรตลายมาใส่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในขอบเข่งกันเชื่อคนอื่นในมาตรฐานตรงนี้นะครับเชื่อคนอื่นอย่างนั้นเราทําผิดใช่ไหมผิดไหมผมก็ยิ่งผิดหนะักก็มาทําให้คนอื่นก็เชื่อคนอื่นตรงนี้ศาสนาแบ่งไว้เป็นสองอย่างนะฮะความเชื่ออย่างเราเชื่อเนี่ยก็เรียกว่าเชื่อคนอื่นเพื่อเชื่อด้วยตัวเอง เชื่อเพื่อไม่ต้องเชื่อคนอื่นและความเชื่อที่เชื่อคนอื่นเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์เรากําลังทําความเชื่อของเราให้สมบูรณ์ด้วยอาศัยข้อมูลจากคนอื่นแล้วก็มาวิเคราะยอย่างตั้งเราแจ้งชัดในต่างเราเองและคนที่ปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งคือเป็นพระโสดาบันแล้เนี่ยเชื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง ใครจะมาเชื่อแทนใครจะมาทำให้เชื่อก็ไม่ได้เราต้องเชื่อโดยภาวนากุศลของเราเองจึงเป็นการประกาศว่าเป็นความเชื่อที่ถึงจุดสมบูรณ์ที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อขอร้องว่าให้เชื่อแล้วก็ว่าคนไม่เชื่อไม่ดีเนี่ยไม่ดีในบางระดับเนี่ยหมายถึงไม่ได้เหตุ ไม่ได้ความเชื่อเบื้องต้นที่จะทําให้เราปฏิบัติเหตุแล้วก็ได้ความเชื่อที่เป็นส่วนเบื้องปลายพระโสดาบันเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มิใช่เพราะข้อมูลจากคนอื่นแต่เป็นข้อมูลที่ตัวเองได้เองด้วยภาวนาคุณมีข้อความตอนท้ายสุดว่าโลกนี้คือมาจากว่าเมื่อบิญญณยามีอะไรมีตามลําดับเนี่ยนะโลกนี้ย่อมเกิดขึ้น อย่างนี้โลกหมายถึงอะไรหมายถึงเกิดเกิดเดิมดเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดเมื่อกี้อะครกันหรือขยายเราจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดแล้วก็มาถึงปฏิจจาะระละองค์ล ะ, ะองแล้วก็มาสรุปจบว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นก็คือโลกคือชีวิตย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เป็นความรู้สายเกิด ของพระโสดาบันผมย้ำเรื่องเกิดสักหน่อยนะผมจะพูดจนถึงเที้ยงสิบห้านาทีอ응ืเกิดโดยอุบัติในสังสาระสองโดยคณิกะอุบัติเกิดโดยอุบัติในสังสาระก็คือ เราปฏิสนทิ่แต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยครับแล้วก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกลหลายชาติลมรวมกันก็เป็นสังสารวัตรที่อยู่เยอะยาวนานปฏิจจจะเป็นกระบวนการการเกิดในสังสารวัตรเป็นอุบัติการของทุกโดยคณิกะเนี่ยหมายถึงเมื่อมีการปรากฏตัวในสังสารวัตความเกิดดับ ก็เข้ามาอาศัยเพราะสังสารวัตรอุบัติในสังสารวัตรมีคณิกาเป็นคณิกาสังสารวัตรจริงน่ากลัวและที่เป็นคณิกะก็แปลว่าเหตุปัจจัยรุงแรงสังสารวัตรจริงน่ากลัวแล้วเวลาคนจะละสังสารวัตรละอุบัติในสางสารวัตรได้เนี่ยการกําหนด รู้โอ้พูดแล้วก็ยืดอย่างอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานการเชื่อหลังสังสารวัตเป็นอาทิพรรมอาจาย์ในภาคปฏิบัติจะต้องกาหนดรู้คณิกะพอรู้คณิกะแล้วก็ทำให้เราเบื่อสังสารวัตรและเพราะเบื่อนี่แหละจึงทำให้ละรู้คู่กันละเพราะรู้แล้วมันเห็นไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจเมื่อไม่รู้จึงเบื่อเบื่อจึงละก็เลยเกิดสองอย่างนีอาศัยกัน รู้เกิดแต่ดับรู้เกิดแต่ดับแล้วก็รู้ดับก็ดับเลยความดับก็มีสองอย่างก็คือดับจากอุบัติในสังสารวัฏแก้เป็นดับนะที่เรียววันนี้โลดดับดับในสังสารวัฏเนี่ยคราวหน้าจะมีสูตรดีมากน่าฟังมากเป็นสูตร ลึกส้งปานกลางแต่มีแง่มุมดีแล้วเกินจากเกี่ยวๆตัวนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นที่ที่น่าฟังนะครับโดยเฉพาะใครสนใจเรื่องเวลานานุปัสนาก็จะมีบทอธิบายดีแล้วเกินเลโฆษณาบอกไว้ล่วงหน้าอยากจะให้มาฟังไม่ใช่หลอกให้มาฟังนะดีจริงๆทีนี้โดยธานิกาดับโดยธานิกาก็คือจุดดับของนามรูป เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับอุบัติที่เคยเกิดจึงดับเพราะบุคคลเมื่อเห็นเกิดเห็นดับแล้วเบื่อไอ้เบื่อนี่ครับมันหมายว่าถอนตัณหาเมื่อไม่ปฏิบัติเห็นตัณหามันไม่เบื่อเพราะมันไม่เห็นแล้วมันสร้างภาพในลักษณะโปบุตรโมเทสแก่เราและสองอย่างนี้เป็นไปในฉับพลันพร้อมกัน ถ้าเหตุนั้นท่านจึงว่าอริยสาวกพูดในสะดับย่อมไม่มีความสงสัยว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเห็ น, นกลไกของเหตุปัจจัยอย่างชัดเจนกระบวนการมอชีวิตเนี่ยนะ ต, ตัวนี้ถ้ า, ถาพูดกตอย่างเอาความรู้สึกเนี่ยว่าคนอย่างู้ลอก ันนี้เทียบให้ฟังแล้วก็มันใกล้ๆลกันนะเือ ว, ว่าบางคนฟังแล้วไม่ลืมตัวนี้ได้ปล่อยนึกก็ใช่ว่าคนหนึ่งว่าปลูกตึกขายขายทั้งเป็นปีขายไม่ได้สักข้องแล้วตัวก็ไม่รู้โฆษณาแล้วเปลี่ยนไอ้ใบชักชวนลูกค้าแล้วก็ขายไม่ออกก็ไม่ได้คิดจทั่งพระมาทักว่ากขอโทษนะพูดผีปีศาจเต็มเลยมันมาคอยตะเพิดไล่ลูกคา้า ไม่ให้ซื้อแล้วถ้าจะให้ซื้อได้ต้องแก้ไขตรงนี้ทำศัตรูให้เป็นนิดถึงขายได้เออก็แปลกลั้่ละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพระมาโปรดเดือนเดียวขายได้เกือบหมดพ้าไม่มาโปรดทั้งปีขายไม่ออกดอ ก, ดอกเบีย้ยจะกินชั่วหัวอยู่แล้วฮ้ก็อุรรทิศส่วนกุศลพราท่านก็เป็นระพานเป็นตือไะ อันนียกตัวอย่างให้เห็นว่าเพื่อจะเทียบให้เห็นว่าหเหตุที่มันจะทําให้เกิดหรือทําให้ไปเกิดอะไรขึ้นในทางดีทางไม่ดีเนี่ยนะถ้าเราจับเหตุได้เนี่ยมันคุมสถานการณ์ได้แก้ไขได้ไอ้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนกันพูดถึงในเรื่องของสารวัตรเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่เราเองคําพังแค่จะไม่อยากเกิด ม, มันก็ยากอ ย, าอยู่แล้แต่พูดมาเอาเถอะ สำหรับคนที่ไม่อยากเกิด้ะทํายังไงถึงจะไม่เกิดไปทํายังไงถึงจะไปเห็ น, หนไอ้กลไกของมันได้ที่เป็นเหตุจริงๆนะอะอการปฏิบัติทางนี้เนะี่ยทําให้เห็นได้และในความเห็นนั้นท่าบอกว่าเห็นด้วยเพราะเห็นเห็นได้เนี่ยนั่งยนก็จะต้องเห็นด้วยพลังของกุศลจิตชั้นภาวนาจึงเป็นการคลายกําหนับ เมื่อคลายกำหนัดเพื่อจุพนพ้นพ้นก็คือว่าไม่ต้องเป็นไปตกภายใต้อำนาจของเหตุปัจจัยนั้นอีกต่อไปเอาละฮะพระสูตรนี้วันนี้ก็ถือว่าสองสูตรไปได้วยกันเนื้อความตอนหลังเคยอธิบายแล้วเรื่องยืนชิดประตูนิพพานอะไรอะไรนี่นะครับก็ไม่อธิบายอีกจบเท่านี้ครับ ตอนท้ายวันนี้มีรายการพิเศษ